3. โอวาทวักหนโอวาทศสิกขาบท167ภิกษุไม่ได้รับแต่งตั้งสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังสอนต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อสั่งสอนแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสอ อถังคตะสิกขาบทภิกษุสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายในเวลาที่ดวงอาทิตย์อัดสดงแล้วต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังสั่งสอนต้องอาบัติทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อสั่งสอนแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสามพิกขุนูปัสยศิกขาบทภิกษุ เข้าไปที่สำนักภิกษุณีแล้วสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังสั่งสอนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อสั่งสอนแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสี 4. อามิตรสิกขาบทภิกษุกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายเพราะเห็นแก่อามิตร ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังกล่าวต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อกล่าวแล้วต้องอาบัตปาจิตติห้าจีวรทานสิกขาบทภิกษุให้จีวรแก่ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังให้ต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อให้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี 6. จีวรสิพนะสิกขาบทภิกษุเย็บจีวรให้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังเย็บต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. ต้องอาบัตปาจิตตีในทุกๆรอยเข็ม 7. สังวิธานะสิกขาบทภิกษุชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับพิกสุนีต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังเดินทางต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อเดินทางไปแล้วต้องอาบัตปาจิตตีแปนาวาพิรูหณะสิกขาบท ภิกษุชักชวนภิกษุณีโดยสารเรือลําเดียวกันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังโดยสารต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อโดยสารไปแล้วต้องอาบัตปาจิตตีก้ 9. ปริปาจิตะสิกขาบทภิกษุรู้อยู่ฉันบินทบาทที่ภิกษุณีแนะนำให้จัดเตรียม ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ต้องอาบัตปาจิตตีในทุกๆคำกลืน 10. บระโหนิสัชชะสิกขาบทภิกษุนั่งในที่รับกับภิกษุณีสองต่อสองต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. นึ่กำลังนั่งต้องอาบัตทุกกฎ เพราะพยายาม 2. เมื่อนั่งแล้วต้องอาบัตปาจิตตีโอวาทวัคที่สามจบ